สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านค่ะวันนี้บีมีเรื่องนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งเลยเรื่องนี้ขออนุญาตนะคะนมาจากเว็บไซต์ s o c c e r a k com นะคะโดยทางด้านของผู้ที่โพสเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าสวัสดีครับหลังจากไม่ได้เล่าเรื่องแบบนี้ไปนานหลายเดือนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านผมเองจริงๆก็คือบ้านของลุงแท้ๆผมเองเลยเท้าวความก่อน บ้านลุงเนี่ยมีธุรกิจรับจัดงานศพไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าโต๊ะเต็นท์ของใช้เครื่องครัวเครื่องเสียงรวมไปถึงโรงเย็นโรงศพด้วยครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ12ปีได้แล้วซึ่งตอนนั้นอายุผมประมาณ 12- 13ปีก็คือม1นึ่นั่นเองเข้าเรื่องเลยกันละกันคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หมู่3ามเขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักในป่ายางท้ายท้ายหมู่บ้านซึ่งปกติจากที่ได้ยินแม่บอกให้ฟังบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านก็เลยทําให้คนอื่นๆในหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจว่าเธอหายไปหรือเปล่าเพราะว่านานๆจะเจอหน้าสัก ครั้งหนึง่งและที่ทุกคนได้รู้ว่าเธอตายก็เป็นเพราะว่ากลิ่นศพเนี่ยมันลอยอบอวนไปทั้งป่ายางท้ายหมู่บ้านจนคนแถวนั้นต้องเข้าไปเรียกแล้วก็ต้องเรียกตำรวจแล้วก็มู ล, ลนิธิมงังด์ประตูจนได้รู้ว่าเธอตายไปแล้วนั่นเองศพเนี่ยขึ้นอืดตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสวัน จากการที่ดูรอยมือขวามีรอยไหมที่เกิดจากการโดนไฟดูดที่ห้องน้ำน่าจะเป็นการที่มือเปียกแล้วไปถอดปลั๊กไฟเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยชอบซื้อหัวไฟส้มๆนะคะแล้วก็ใช้เสียบปลั๊กแทนการทำปุ่มกดสวิตช์นะคะแล้วก็เรื่องสยองขวัญสันประสาทเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งหมู่หนึ่งก็คือหมู่บ้านของเจ้าของเรื่องนี้เองใช่แล้วค่ะลุงของเขาเนี่ยเป็นคนรับจัดงานศพให้กับผู้หญิงคนนี้ และแน่นอนว่าเธอไม่ค่อยมีญาติก็เลยจัดแค่3าวันแล้วเผาแต่กลับไม่ได้เผาเลยมีญาติเข้าแย้งบอกว่าศพตายตายโหงเนี่ยโดนฟ้าผ่าหรือไฟช็อตเนี่ยให้ฝังก็คือเป็นการฝังยืนแล้วก็เอากละมมังสแตนเลตครอบศพไว้สรุปก็ต้องทำตามนั้นแหละ ทำตามที่ญาติเขาขอร้องก็คือการฝังโดยการยืนแล้วก็เอากระลมังคลุมหัวไว้นี่แหละนะคะและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นคือเวลาประมาณทุ่มหนึ่งอยู่ๆมันมีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นมากเหม็นแรงจนไม่อยากจะหายใจเข้าไปเลยวันแรกนะทุกคนไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นหมาหรือว่าแมวตายแน่เลยแล้วก็พอเลยช่วงเกือบเกือบเที่ยงคืนอยู่ๆกลิ่นก็หายไปทีแรกก็คิดว่าลมเปลี่ยนทิศ แต่พอวันถัดมาแค่นั้นละ่ะกลิ่นก็โชยมาอีกยิ่งนับวันกลิ่นก็ยิ่งแรงขึ้นจนทุกคนเริ่มกังวลแล้วก็เริ่มกลัวกันขึ้นมาละเพราะว่าธุรกิจหรือว่ากิจการที่ลุงทําเนี่ยคือแกทํามาเกือบ25ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กลัวชนิดที่ว่าพอหลังหกโมงเย็นเนี่ยไม่มีใครกล้าออกมาข้างนอกบ้านกันเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยละกันพวกผู้ใหญ่ จากที่ชอบไปนั่งกินเหล้าช่วงค่าถึงกับหยุดไปเฉยๆเพราะว่าไม่มีใครกล้าออกไปข้างนอกหลังพระอาทิตย์ตกดินหลังจากผ่านมาเกือบอาทิตย์หนึ่งคุณผู้ฟังก็เริ่มมีบางคนได้ยินเสียงคนเดินบนถนนเดินแบบเดินไปสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็เดินอีกแล้วก็หยุดอยู่ประมาณนี้นะะี่ยคือเดินแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาเสียงหมามันก็หอนยาวเป็นทอดๆไปเลยคือทุกคนได้ยินกันหมดเลยนะเพราะไม่มีใครนอนกันหรอก ช่วงทุ่มสองทุ่มเนี่ยเพียงแค่ว่าไม่กล้าไม่กล้าจะมองผ่านหน้าต่างไปดูมันอย่างว่าแหละนะคะคุณผู้ฟังคือคนไทยเนี่ยมันเป็นคนที่แบบขี้สงสัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็มีป้าคนหนึ่งไง คือแกอยากรู้อยากเห็นแกก็เลยแอ บ, บแง้มประตูออกไปดูและแกก็เห็นเต็ม2ลู ก, กาตาเลยค่ะแกเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยเดินอยู่บนถนนจริงๆแล้วจะหันหน้าเข้าหาบ้านหลังนั้นหลังนี้ทุกทีเลยคือในทุกๆครั้งที่เธอหยุดเธอก็จะเดินต่อไปคือเจอบ้านหลังไหนก็จะหยุดเดินแล้วก็จ้องบ้านหลังนั้นคือเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่องผู้หญิงเดินบนถนนนี่ก็ลือกันไปทั่วทั้งตบล แล้วก็ลุงเนี่ยคือลุงที่จัดงานศพเนี่ยก็เป็นอบอต อ, อยู่แล้วด้วยไงแกก็รู้สึกกลัวทั้งไม่สบายใจเอามากๆเพราะแกคิดว่าที่มาของทั้งกลิ่นและเสียงผู้หญิงเนี่ยต้องมาจากบ้านของแกเองแน่ๆแกก็เลยนิมนต์พระรูปนึงพวกเราเรียกท่านว่าท่านเพชรให้มาที่บ้านของแกหลังจากที่พระมา ก, ก็อย่างว่าแหละนะคะชาวบ้านไปมุงบ้านของลุงเยอะมากแล้วท่านเพชรก็เดินวนรอบบ้านจนแกไปหยุดอยู่ที่โรงเก็บอาเป็นโรงเก็บของ เป็นโกดังเก็บของละกันคือเก็บของใช้เป็นพวกเก็บโรงเย็นแกบอกลุงว่าเขาอยู่ตรงนี้ยังไปไหนไม่ได้เขาติดอยู่เท่านั้นแลหละค่ะคุณลุงนี่ถึงกับออกอาการเครียดเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้ท่านเพจก็เลยทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งแกก็จุดเทียนกี่ทีเทียนก็ดับหมดลุงก็เลยบอกว่าแกมั่นใจเลยว่ามันไม่มีลมจริงๆเลยนะจุดกี่อันก็ดับหมดจุดกี่อันก็ดับหมดจนถึงขนาดที่ท่านเพจต้องกลับวัด แกบอกสั้นๆว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่วันถัดมาค่ะพระมากันห้ารูปมาขึงสายศีลจากบ้านของคุณลุงเนี่ยผูกไปตามเสาไฟผูกไปจนถึงที่ฝังศพของเธอคนนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ไปกี่ขดนะคะแต่รู้อย่างเดียวว่ายาวมากคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะพระห้ารูปทําพิธีทั้งกลิ่นทั้งเสียงสวดของพระนี่ก้องอยู่ในหัวแล้วกลิ่นก็คลุ้งอยู่ในจมูกเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆค่ะ หลังเสร็จพิธีท่านเพชรก็พรมน้ำมนต์ไปรอบๆ บ, บ้านและบอกกับคุณลุงว่าให้เอาโรงเย็นเนี่ยใส่ท้ายรถกระบะแล้วขับไปตามสายสินไปยังหลุมศพไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ฟงังคนที่อยู่แถวหลุมศพที่ฝังเธอเนี่ยไม่มีใครได้กลิ่นเน่าอะไรสักนิดเดียวเลยนะแต่ว่าหลังจากที่เอาโรงเย็นไปหลุมศพอยู่ๆค่ะกลิ่นก็คลุง้งกลิ่นแรงมากและท่านเพชรเนี่ยใช้ให้ขุดศพเธอขึ้นมา อย่างที่บอกเนี่ยศพเธอฝังยืนแต่ที่น่าแปลกใจก็คือศพเธอหันหน้าไปทิศตะวันตกทุกคนตกใจมากเพราะว่ามูลลนิธิเขามั่นใจแน่นอนว่าตอนฝังเนี่ยคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหลังจากขุดศพมาแล้วท่านเพชรได้พาศพเธอไปที่วัดแล้วก็ทําการเผาตอนนั้นเลยบอกได้เลยเนะว่าทุกคนกลัวกันมากค่ะและแน่นอนว่าโรงเย็นนั้นก็ต้องเผาทิ้งเช่นกันและมันก็เป็นงานสุดท้ายที่ลุงทํากิจการรับจัดงานศพอาทิตย์นั้น ทุกๆคนหดหูกับเรื่องนี้มากมีการทำบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่สายศีลเนยยาวไปตามถนนคือมันเหมือนไม่ใช่หมู่บ้านของเขาแล้วมันเหมือนเป็นที่อื่นที่ไหนก็ไม่รู้มันเหมือนกับไม่ใช่ที่ที่เขาเคยอยู่อะไรเงี้ยคือบอกไม่ถูกเรื่องนี้ผ่านมาเกือบ1ิบกว่าปีแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการฝังยืนแน่นอนยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยก็แล้วกันนะคะ ขอบคุณท่านเจ้าของเรื่องแล้วก็เว็บไซต์ซอกก e ัก a k ด้วยนะคะเรายังคงวนเวียนอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกับเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวเรื่องต่อไปนี่เกิดอยู่ที่รอยต่อจังหวัดสุราษฎร์กับระนองนะคะเล่าเลยแล้วกันในฐานะที่เป็นผู้เล่าที่ดีจะไม่ขอเกริ่นเรื่องอะไรมากมาย เรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีกลุ่มเพื่อนนักศึกษาเนี่ยรวมตัวกันมาเที่ยวบ้านเพื่อนที่สุราษฎร์แต่บังเอิญ น, นะคะบ้านเพื่อนในกลุ่มเนียอยู่ในอำเภอหนึ่งที่ติดกันกันกบเขตใกล้รอยต่อจังหวัดระนองเข้าเรื่องเลยคะทีนี้คือมีทั้งหมด5คนนะคุณผู้ฟังนึกตัวละคร5ตัวอยู่ที่กรุงเทพก็เป็นคนชอบตกปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยได้โอกาสเข้าป่าตั้งแคมป์ที่ต้นน้ำในป่าลึกว่ตกปลากัน แล้วได้อ่าแล้วทั้งห้าคนเนี่ยก็เข้าไปซื้ออุปกรณ์เดินป่าในอาเภอเมืองมาพอกลับมาถึงบ้านก็จัดแจงทุกอย่างเสร็จสับดูแผนที่อะไรเรียบร้อยคือเพื่อนคนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยขึ้นไปกับลุงสมัยเรียนมัธยมก็เลยพอจําทางได้บ้างะนะคะแต่ว่าพ่อของเพื่อนอแนะนำบอกว่าให้ไปชวนลุงไปเป็นเพื่อนจะดีกว่าไปกันหลายคนก็จริงแต่ว่าใช่ว่าจะรู้ทางขึ้นลงเขา กลุ่มนักศึกษาก็เลยให้เพื่อนเนี่ยไปตามลุงมานําทางให้เรียกง่ายๆคือการจ้างให้ลุงนําทางให้นั่นแหละแต่ลุงบอกว่าหน้าฝนเนี่ยไม่มีใครเขาเข้าป่ากันหลอกป่ามันปิดอย่าไปเลยคือสรุปลุงแกไม่ขึ้นเขานะไม่ไปกับกลุ่มนี้ก็เลยทําให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะตัดสินใจไปกันเองทั้ง5คนจังหวะที่พวกกลุ่มนักศึกษากําลังจะขึ้นเขาไปนั้นลุงแกก็โทรหาพ่อ ของของเด็กเนี่ยบอกว่าให้ห้ามหลานบอกว่าอย่าขึ้นไปเลยหน้าฝนป่ามันปิดไม่ทันแล้วค่ะเด็กมันไปกันหมดแล้วแปตั้งแต่สองชั่วโมงแล้วคือเจ้าของเรื่องต้องบอกก่อนว่าสุนัตรอยต่อกับระนองมันเป็นภูเขาสูงหลายลูกขึ้นลงขึ้นลงนะคะช่วงรอยต่อเนี่ยมันจะมีต้นน้ําใหญ่อยู่ เมื่อสมัยก่อนสมัยที่ยังมีคอมมิวนิสต์อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นฐานทัพของพวกคอมมิวนิสต์มันก็เลยมีคนเบิกทางขึ้นลงไปยังต้นน้ำก็เลยทําให้หลังจากหมดยุคคอมเนี่ยชาวบ้านอาชอบเข้าป่าไปหาของป่าแล้วก็ไปหาจับปลากันที่ต้นน้ำเพราะว่าเดินทางได้สะดวกนะคะทีนี้เรื่องการเดินป่าขึ้นไปวันแรกค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกทาให้การเดินป่านี่มันลาบากมากกว่าจะขึ้นไปถึงต้นน้า โอ้ไปได้ช้ากว่าที่ควรเอาจริงใช้เวลาเดินเท้าสองวันก็ถึงแล้วพอถึงช่วงบ่ายสาโมงครึ่งทุกคนก็หยุดเดินเพราะมันมืดฝนแล้วในป่าคือมันทึบมากคือไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะมืดแล้วมองทางไม่เห็นแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ตั้งเต็นท์ทของกินมื้อเย็นกันเสร็จก่อไฟสุมไว้เพราะว่ามันเป็นยุคของทาก ก็อย่างที่เรารู้ๆกันแหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะว่าป่าทางด้านของภาคใต้นี่มันเป็นป่าดิบแล้วป่าดิบที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหชุกชุมมากเลยนะของทากเนี่ยเวลานั้นนี่เป็นเวลาหนึ่งทุ่มพอดีค่ะก็เลยเข้านอนกันก่ะว่าจะออกเดินทางตอน6กโมงเช้าที่นอนเร็วไม่ใช่อะไรหรอกล้ากันหมดทุกคนหลังจากเข้านอนกันได้สักพักหนึ่งป่าที่เคยมีเสียงสัตว์เสียงแมลงอยู่ๆเสียงกลับเงียบสนิทคือเงียบจนน่ากลัว นักศึกษาที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขารู้กันนะว่าถ้าป่าเงียบนี่แปลว่ามันไม่ปกติเขาก็เลยบอกเพื่อนทุกคนให้เงียบอยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆอย่าพูดอย่าทักเมื่อทุกคนเงียบอยู่ๆก็มีเสียงโนราค่ ะ, ะร้องเป็นภาษาใต้ลอยมาเป็นโทนต่ำๆคือได้ยินกันทุกคนเลยนะแต่ไม่มีใครพูดอะไรค่ะได้เพียงแค่สะกิดกันฟังแล้วก็หลับกันหมดในคืนแรก วันที่2ในการเดินป่าค่ะหลังจากเก็บเต็นท์ทุกคนก็รีบเดินกันไปตั้งแต่เช้าอยากจะให้ถึงต้นน้ําเร็วๆแต่ว่าก็มีนักศึกษาคนที่อยู่สุราษฎร์เนี่ยเห็นรอยเท้าไม่ใส่รองเท้าเดินวนอยู่รอบเต็นท์ก็ไม่ได้บอกเพื่อนและกลัวเพื่อนกลัวพอเชอาเข้าช่วงบ่ายสามเนี่ยก็ขึ้นมาถึงต้นน้ําจนได้ทุกคนก็จัดแจงคันเบ็ดตกปลากันอย่างสนุกสนานคงจะหายเหนื่อยกันทุกคนเห็นว่าต้นน้ํามันเป็นยังไงของจริงเป็นยังไงปลาเยอะไหมอะไรอย่างนี้ พอผ่านไปสองชั่วโมงนะทุกคนก็ได้ปลามาหลายตัวมันมีปลาตัวหนึ่งมันเป็นมันมันเขาเรียกว่าอะไรปลาตัวมันเหลืองๆอะ่ะคือต้อนน้ํามันสมบูรณ์นะปลามันจะอ้วนอวบถูกไหมทุกคนก็เลยช่วยกันผ่าท้องเอาเครื่องในออกทําอ่ากะทําปลาให้เสร็จพอรุ่งเช้าจะได้เดินกลับเลยแต่พอทําปลาไปได้สักพักหนึ่งมันมีเพื่อนนักศึกษาที่มาจากกรุงเทพตอนที่เอามีดผ่าท้องปลาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องดังมากบางทีนะ ก็เหมือนเสียงผู้ชายร้องแบบเจ็บมากๆคือถึงกับต้องโยนปลาโยนมีดทิ้งเลยแล้ววิ่งไปหาเพื่อนบอกได้ยินเสียงคนร้องบอกพวกมึงได้ยินหรือเปล่าคือเอาจริงๆได้ยินทุกคนคือรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ละทุกคนรีบเก็บของคือจะกลับออกมาอย่างเย็นวันนั้นเลยแต่กำลังจะเดินกลับอยู่ทีเดียวค่ะนึกได้ว่าโยนมีดทิ้งเลยจะไปเก็บมีดแต่พอเดินไปที่ที่สากปลาที่โยนทิ้งไว้อ่ะภาพที่เห็นคือสีเลือด สีเลือดนะเป็นสีแดงเต็มน้ําเลยปลามันมีเลือดนะแต่ปลา2ตัวเนี่ยเลือดมันคงไม่เยอะขนาดทําให้น้ําเปลี่ยนสีได้ขนาดนั้นทั้งหมด5คนค่ะไม่สนสีสนแไม่สนมีดสนเบ็ดแล้วสะพายกร ะ, ะเป๋าได้ก็รีบเดินตามกันไปเป็นพรวนเลยโดยไม่หันมองข้างหลังอีกเลยทุกคนรู้สึกได้ว่ามีคนเดินตามไม่ใช่คนคนเดียวด้วยจํานวนมากเดินตามหลังมาแน่ละ่ะมีความรู้สึกแบบนั้น พอเดินมากันจนมืดมองทางไม่เห็นก็เลยตัดสินใจกางเต็นท์นอนกันตรงนั้นเหมือนเดิมค่ะก่อไฟเสร็จก็เข้านอนกันแต่ว่าทุกคนไม่มีใครพูดอะไรถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต้นน้ำเลยจนช่วงสามสี่ทุ่มได้ยินเสียงเหมือนคนปาเศษไม้เศษดินปาเข้ามาในเต็นท์เสียงดังปุกปั ก, ป, กปุกปักตอนแรกนะก็ไม่มีใครกล้าเปิดซิปออกไปดูทนไม่ไหวค่ะก็เลยต้องออกกันไปทั้งห้าคนนั่นแหละคุณผู้ฟังรู้ไหม ภาพที่เห็นตรงหน้าคือเงาดําเหมือนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายยืนกันเป็น10บยีอยู่รอบเต็นท์คราวนี้แหะค่ะจิตตกแตกกระจัดกระจายทุกคนจับไฟฉายได้พากันวิ่งออกมาจากเต็นท์คิดภาพตามคุณผู้ฟังในป่าลึกเที่ยงคืนออกมาจากเต็นท์จากกองไฟยังไม่พอเสียงต้นไม้เสียงลิงข้างร้องดังลั่นป่าเลยทุกคนกลัวค่ะจนเกือบจะเป็นบ้าร้องไห้ไปด้วยความอ่าร้องไห้ไปด้วยวิ่งหนีไปด้วย แต่มันมาพีคตรงเสียงช้างนี่แหละอันนี้ป่าแตกของจริงทุกคนได้ยินเสียงช้างจำนวนมากวิ่งตามหลังมาเป็นโขลงวิ่งกันชนิดที่ไม่หันมามองข้างหลังเลยจนเพื่อนคนที่สองเนี่ยมันสะดุดรากไม้ล้มหัวเข่าหลุดเดินต่อไม่ได้ทุกคนอ่าทุกคนเลยต้องหยุดวิ่งช่วยเพื่อนคนที่ล้มอยู่กับพื้นก่อน แต่เพราะการที่เพื่อนคนนั้นลม้มนั่นแหละนะคะที่น่าจะทำให้คนอื่นแล้วก็ทุกคนรอดตายเพราะว่าห่างไปไม่กี่เมตรข้างหน้าเป็นเหวชันลงไปข้างล่างโอ้โหคุณผู้ฟังลองคิดตามนะทุกคนพากันนั่งร้องไห้ใต้ต้นไม้คือทำอะไรไม่ถูกแล้วละ่ะหลงทางหลงป่ากลางคืนเนี่ยนรกชัดๆแต่แล้วค่ะพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับพ่อของเพื่อนที่สุราษฎร์แล้วก็ญาติพี่น้องราว 13-14 คนโผล่ออกมาจากป่า แล้วก็ได้ช่วยเด็กกลุ่มนี้รับกลับมาบ้านออกจากป่าได้โดยไม่มีใครตายนะคะสรุปคุณผู้ฟังทีมช่วยเหลือค่ะลุงบอกเด็กว่าป่าปิดไม่ควรเข้าป่าลุงโทรหาพ่อเด็กบอกให้ห้ามแต่ไม่ทันพ่อเด็กเกณฑ์คนออกตามหาลูกและก็เพื่อนๆที่จะไปต้นน้ําหากันไปจนถึงต้นน้ําแต่เจอแค่กองป่ากับมีดและคันเบ็ด จนตี2ถึงเจอกับกลุ่มลูกและเพื่อนๆนั่งอยู่ตรงต้นไม้เยื้องๆกันกันกบเหวสรุปสิ่งที่เด็กเจอจากปากของลุงและเจ้าหน้าที่ป่าไม้คืนนั้นเป็นป่าปิดนะคะคืนนั้นเป็นคืนป่าปิดเพื่อนในกลุ่มตอนไปเยี่ยวเนี่ยดันไปยืนเยี่ยวเข้าป่าเราต้องนั่งยองๆแต่เขายืนค่ะ ปลาที่ทุกคนตกขึ้นมานั้นมันเป็นปลาที่พวกวิญญาณสัมภเวสีหรือผีป่ามันสิงสู่อยู่ในสัตว์ทุกชนิดในป่าในคืนป่าปิดนะคะคือมันจะไปสิงสู่อยู่คือมันจะมีวิญญาณเป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ฟังคือจะเป็นมดหนูปูปีกอะไรก็แล้วแต่คือมันจะมีวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยไปสิงสถิตอยู่ในสิ่งมีชีวิตพวกนั้นในวันป่าปิดเงา10บยีคนนั้นคือวิญญาณสัมภเวสีที่พวกกลุ่มนักศึกษาตกปลากันขึ้นมา เสียงช้างนี่เป็นเพียงแค่เสียงหลอนของกลุ่มนักศึกษาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกที่นี่ไม่มีช้างมาสิบปีแล้วทุกคนคาดว่าจะเป็นเสียงของผีป่าหลอกให้เด็กกลัวเด็กหลอนถ้าไม่มีรากไม้คุณผู้ฟังคิดว่าจะเป็นยังไงต่อคะส่วนตัวของบีเองคิดว่าเด็กกลุ่มนี้น่าจะตกเหวลงไปตายแล้ว เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงใครอยู่ที่อำเภอชายแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองคงจะรู้กันทุกคนเนี่นะคะว่าป่านี้ชื่อป่าอะไรและเรื่องที่เราได้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่รู้มาจากพ่อของเพื่อนซึ่งแกเป็นญาติกับพ่อของเด็กคนนั้นเอาจริงๆเขาเป็นรุ่นพี่ป่านนี้น่าจะ30กว่าได้แล้วมั้งโดยคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยอายุ24ปีนะคะ เรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะคะเป็นเรื่องของผีพลายค่ะชวนอาไปอยู่ด้วยโอ้โหฟังฟังชื่อเรื่องนี้ก็สะอื้นละอยากสะพึงมากคือขนลุกสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อผมเองรวมถึงลุงแล้วก็อาแท้ๆของผมด้วยเหตุเกิดที่บ้านนาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าเรื่องค่ะไม่ต้องพูดพัมทาเพลงอะไรเยอะ ตอนนั้นเป็นปี2533สมัยก่อนนะบ้านปู่ผมเนี่ยอยู่ในตัวอำเภอบ้านนาสารแล้วก็อยู่กันครบทุกคนจะเป็นปู่ปู่เนี่ยมีลูกชายอยู่3าคนคือลุงพ่อพ่อของคนเล่าเรื่องเนี่ยแล้วก็มีอา3คนพอดีอย่างที่กล่าวไปนะคะบ้านนี้ลูกชายทั้งบ้านก็เลยชอบไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะวัยรุ่นผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยชอบยิงนกตกปลาล่าสัตว์เข้าป่า และนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของคืนที่พ่อจําไม่เคยลืมแล้วก็เล่าให้ฟังหลายต่อหลายรอบมากคลองฉว่างค่ะเป็นคลองที่กว้างแล้วก็สมบูรณ์พอสมควรสมัยก่อนนะทั้งปลาทั้งกุ้งเยอะแยะไปหมดชนิดที่ว่าลงตรงไหนก็มีปลาให้จับตรงนั้นวันนั้นค่ะคุณย่าบ่นอยากกินแกงส้มปลาช่อนคุณลุงก็จัดการชวนพ่อชวนอาไปกันครบเลยละค่ะชวนกันไปยิงปลาช่อน จะมาทําแกงส้มปลาช่อนให้กับคุณย่ากินกันที่นี้พอตกเย็นวันนั้นทั้ง3าคนก็เตรียมลูกศรเตรียมสอนีเขาเรียกสรนปะยิงปลาสอนยิงปลาแล้วก็แว่นดำน้ำําแล้วก็สปอร์ตไลท์คนละอันอย่างที่บอกไปว่าสมัยก่อนนั้นมันยังไม่เจริญแม้ว่าไฟฟ้ามันจะเข้าถึงแล้วก็ตามแต่ว่าถนนหนทางยังเป็นลูกรังอยู่แล้วก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะคือป่าเยอะพอราวๆสองทุ่มค่ะก็ได้เวลาขับรถไปที่ท่าต้นมะปริง เป็นจุดที่จะเริ่มดำปลาทวนน้ำขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนถึงราวสะพานรถไฟพ่อก็เลยบอกว่าพอดับไฟรถมอเตอร์ไซค์โนวาสมัยก่อนนะคะโนวารอบๆตัวนี่คือมืดมิดสนิทใจไม่มีใครมองเห็นอะไรเลยคือมันมืดตึ๊บเพราะมันเป็นทางเดินเล็กๆนะคะแถมต้นไม้ใหญ่อยู่รอบเต็มไปหมดแต่ก็พกสปอร์ตไลท์มาด้วยนะก็เลยช่วยกัน2ไฟจนเดินไปถึงทางลงไปยังน้าคลองด้านล่าง คืนเดือนหงายปลามันก็จะมานอนออกันอยู่แถวตลิ่งหรือว่าแถวน้มตื้นนี่คือเยอะมากและต้องบอกก่อนว่าการไปยิงปลาสามคนจะมีวิธีการแบบนี้คือบุคคลที่1ดําดำฝั่งซ้ายบุคคลที่2ดํดำฝั่งขวาส่วนบุคคลที่สามนะคะจะอยู่ตรงกลางคอย2ไฟแล้วก็ถือที่ใส่ปลาเพราะว่าคลองมันมีสองฝั่งซ้ายขวานะคะหลังจากดาปลากันไปได้สักพักใหญ่ ก็ใกล้ไปถึงจุดที่ตั้งใจไว้คือใต้สะพานรถไฟตอนนั้นนะพ่อเป็นคนเดินส่องไฟบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มแปลกไปค่ะพ่อบอกว่าได้ยินเสียงวีดวิวเหมือนใครผิวปลากเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นพ่อก็คิดว่าเอ้หูเพี้ยนแน่ๆเลยคือพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีก็เลยไม่ได้บอกให้ใครรับรู้ทุกคนก็ยังคงดำปลากันไปเรื่อยๆแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นเสียงคนเดินในน้าละ พ่อเดินตาเดิน1เก้าเสียงน้ำตามหลังพ่อ29เก้าเสมอพ่อเดินไปหยุดฟังไปเดินไปหยุดฟังไปจนแน่ใจแน่นอนว่ามันมีคนตามมาก็เลยส่องไฟไปยังต้นเสียงโนค่ no, ะไม่มีอะไรเลยบ้างเปล่าหมดตอนนั้นพ่อก็เริ่มใจคอไม่ดีและกลัวว่าจะเป็นโจรมากกว่าผีเนี่ยคือสิ่งที่พ่อคิดตอนนั้นนะเนื่องจากว่าะจะบอกว่ามันเป็นคืนที่ดวงจันทร์สว่างมากถึงจะไม่เปิดสปอตไลท์ถ้าใคร เคยไปน้ำคลองตอนมืดๆก็จะรู้ว่ามันสว่างพอที่จะเห็นบริเวณรอบหรือแม้แต่เงาสะท้อนของน้ำคลองเองนะคะลุงกับอาแกก็ยังคงดำปลาอยู่เรื่อยไปพ่อก็เลยเดินตามสองไฟไปเรื่อยๆเช่นกันแล้วก็ห่างกันไปราวประมาณเกือบร้อยเมตรก็จะถึงสะพานรถไฟที่ปลาเยอะที่สุดตรงต่อหม่อถึงแม้เสียงเดินตามหลังในน้าจะหายไปนะแต่ว่าพ่อก็ยังคงคิดมากอยู่ดีได้แต่ทาตัวนิ่งๆไม่พยายามมองไปมองมา คงไม่อยากเห็นอะไรที่ไม่อยากเห็นเน่ะนะคะในจังหวะที่ลุงเรียกพ่อให้ไปเอาปลาใส่ข้องตอนนั้นเนี่ยอาอยู่ๆก็โผล่หัวขึ้นมาจากน้ำอีกฝั่งคลองแล้วก็วิ่งมาที่พ่อกับลุงหน้าตาแกตกใจมากเลยแกบอกพ่อบอกกลับบ้านกลับบ้านพ่อก็เลยถามบอกทำไมมีอะไรแกบอกเดี๋ยวค่อยเล่ากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยสักพักหนึ่งลมค่ะไม่รู้มันมาจากไหนพัดหวีดวิวหวนไปหวนมาทีนี้แหละขนลุกของจริง ตอนนั้น3าคนยืนนิ่งอยู่กับที่แล้วแต่มันมีเสียงคนเดินในน้ำดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกคนส่องไฟไปรอบๆไม่มีเงาใครเลยค่ะมันมีเพียงแค่เสียงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแน่นอนเลยนะว่าทั้ง3มคนเนี่ยกะจะรีบเดินไปให้ถึงสะพานรถไฟเพราะมันมีทางขึ้นเล็กๆอยู่ตรงนั้นมันมีโรงเรียนนาสารอยู่พอดี คืนนั้นตั้งใจจะหาบ้านคนที่ใกล้ที่สุดเพราะว่ากลัวกลัวจนไม่กล้าจะเดินกลับไปที่รถแต่พอเดินมาถึงใกล้สะพานคราวนี้ล้วค่ะอาถึงกับสะอื้นเสียงหัวเราะดังลั่นคลองทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายสามคนได้แต่ยืนหันหน้าชนกันหันหลังชนกันจับเสื้อกันแล้วก็ส่องไฟไปรอบๆแต่ไม่ได้เห็นอะไรนะคะจนลุงบอกรีบๆขึ้นคลองให้ไวที่สุดเสียงหัวเราะก็ยังคงดังอยู่ตลอดในตอนที่ทุกคนเดินไปใกล้ทางขึ้น พ่อเนี่ยแงนมองไปบนสะพานเหล็กรถไฟโอ้โหภาพที่เห็นนี่คือเห็นเต็มตาเลยเป็นภาพเงาดําร่างเหมือนคนแยกแยะออกได้เลยว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่มีหน้านั่งห้อยขาลงมาจากสะพานพ่อก็เลยชี้นิ้วให้ลุงกับอาดูพอส่องไฟไปไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่ส่องไฟเนี่ยจะเห็นเป็นเงาดําๆนั่งห้อยขาอยู่บนสะพานเป็นแถวยาวยังกับแผงขายผักที่ตลาดนัด ยังจำคลองฝั่งที่อาวิ่งมาได้ไหมคุณผู้ฟังในจังหวะที่จะขึ้นตะลิ่งเนี่ยไม่รู้อะไรดนจิต ด, ดนใจให้3ามคนเนี่ยมองไปอีกฝั่งของน้ำคลองสิ่งที่เห็นคือเห็นเหมือนกันรูปร่างผู้หญิงสูงร่างกายเป็นสีดำทั้งตัวไม่มีเสื้อผ้าค่ะมีแค่ตาที่เป็นสีขาวผมยาวถึงน้ายืนชี้นิ้วมาที่กลุ่มพ่อของของขอ ง, ของเจ้าของเรื่องเนี่ยหลังจากนั้นพอเห็นแค่นั้นแหละหันหลังวิ่งสุดกาลังเลย ขึ้นจากน้ำคลองได้จนไปตะโกนเรียกบ้านเพื่อนของปู่ที่อยู่ยังงโรงเรียนตอนนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรเป็นสลับหรอขนาหรือเป็นอะไรนี่แหละจนแกเปิดประตูให้พวกพ่อไน้เข้าไปในบ้านพอเข้าไปในบ้านของเพื่อนปู่ได้แค่นั้นอาถึงได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าแกวิ่งหนีอะไรมาแกเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีโขดไม้อยู่ แล้วมันมีพุ่มไม้อยู่ข้างหน้าแกก็เลยเอามือล้วงเข้าไปแกแหวกออกมาตอนแรกกันเนี่ยว่าเป็นสาหร่ายพอดูที่มือให้ดีๆมันเป็นเส้นผมสีดำเส้นผมของผู้หญิงเท่านั้นแหละแกะก็เลยรีบลุกจากน้ำแล้ววิ่งมาหาพวกพ่อเนี่ยจากการที่ปู่แล้วก็คนแก่เขาสันนิษฐานก็คือเมื่อปี2531นะคุณผู้ฟังตอนนั้นเป็นปีที่น้าท่วมใหญ่ที่สุดทั้งนครศรีสุราษคนตายกันเกลื่อนเลยค่ะบางบ้านนะนอนๆ อ, อยู่ อยู่ๆโคลนถล่มทับบ้านตายทั้งเป็นก็มีบางบ้านก็โดนท่อนซุงที่พวกลักลอบตัดไม้เถื่อนเนี่ยเขาเอามากองไว้บนภูเขาไหลามากับน้ำแทงบ้านพังทั้งหลังทั้งหลังเลยนะคะคนนาสารตายกันไปเยอะมากและส่วนใหญ่ศพนะคะก็ไหลามาติดตรงโคลนสะพานรถไฟนั่นแหละค่ะน่าจะเป็นที่มาของเงาดำที่นั่งห้อยขาบนสะพานส่วนผู้หญิงดำๆที่มีแต่ตาสีขาวผมยาวถึงน้า คนแก่บอกว่าน่าจะเป็นผีพรายมันมีอยู่ทุกที่แหละตรงไหนคนตายบ่อยมันก็จะอยู่ตรงนั้นหลังจากคืนนั้นก็มีแต่อาที่ยังคงฝันเห็นผู้หญิงผมดำผู้หญิงดำเนี่ยอยู่เรื่อยๆจะต้องบวชเป็นพระซึ่งปัจจุบันนับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรยังสบายดี นะจนมีเจ้าของเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องเยอะแยะไปหมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวสุดสยองที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานีนะคะเป็นเรื่องป่าแตกรอยต่อสุราษฎร์นอง ผีพรายชวนอาไปอยู่ด้วยโอ้โหนะแค่บีอ่านไปเล่าไปเนี่ยยังขนลุกขนพองนะคะคิดภาพตามจินตนาการตามไปน่ากลัวจริงๆค่ะคุณผู้ฟัง่ะขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยแล้วก็เว็บไตซต์ s o c c e r s a c k นะคะที่เป็นที่ไปที่มาของเรื่องนี้นะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆ วันนี้หมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ